ตรัสตอบว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านท่านควรจะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นเสียด้วยพระดำรัสตอบของพระาศาสดานั้นเรียกว่าถึงใจเป็นอย่างยิ่งทีฆานะคะไม่รู้จะตอบโต้ประการใดจึงก้มหน้านิ่งอยู่พระตถาคตเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าอคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า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 ต้องคอยชำระขัดสีอยู่เนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่รังเกียจแนงงนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองเนืองซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคํานึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ดูก่อนอคิเวสนะพระศาสดาตรัสต่อไปอันหนึ่งเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อใดบุคคลเสวยสุขเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกข์และอุเบกขาเมื่อใดเสวยทุกข์เมื่อนั้นไม่ได้เสวยสุขและอุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาทั้งสามอย่างไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไปดับไปเป็นธรรมดาสาวกของพระอริยะฟังดังนี้แล้วเมื่อเห็นตามอย่างนี้ย่อมเบื่อหนายทั้งในสุขทุกอุเบกขาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว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 จะสถิตอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพรืำพันส่วนคนที่ศพสุขเล่าก็เพลินในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าสุขแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาดวงจันทร์ในขันน้ำจึงคว้าเอาก็คว้าถูกขันน้านั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่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 ส่วนทีฆานะกะปริพาชกนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสิ้นความคลืบคลงสงสัยในพระพุทธศาสนาทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้มีผู้จักสุได้เห็นรูปแลแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ ร, รึกตลอดชีวิตบัดนี้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 ซึ่งมีลักษณะคล้ายทะเลสาบน้อยๆในป่าลึกเขากระโจนลงไปในทะเลสาบน้อยๆนั้นเขาคิดว่าคงพ้นอันตรายแต่ทันใดนั้นจระเข้ก็ปรากฏขึ้นเขากระโดดขึ้นจากน้ำรีบหนีขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้พบรวงพึ่งซึ่งมีน้ำผึ่งหยดลงมาเป็นครั้งคราวเขากำลังจะอ้าปากกรองรับหยดน้ำพึ่งก็บังเอิญเหลียวไปเห็นงูใหญ่2ตัวชูคอแผ่พังผ่าน มองมายังเขาอย่างปองร้ายเขาตกใจจะวิ่งหนีแต่ด้วยความกระหายอยากในรถน้ำพึ่งจึงยอมเสี่ยงชีวิตอ้าปากรองรับหยดน้ำพึ่งท่ามกลางอสารพิษทั้งสองเขาดื่มน้ำพึ่งด้วยกายและใจที่ประวันพรั่นพรึงดูก่อนผู้สแสวงสัจจะน้ำพึ่งท่ามกลางปากอสารพิษทั้งสองชั้นใดโลกียสุก็ฉันนั้นมันอยู่ระหว่างอันตรายนานาประการ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 ความต้องพัดพรากจากสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งและบุคคลอันไม่เป็นที่รักความไม่ได้ดังใจหวังเหล่านี้มีประจำอยู่ในมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายมันม่ใช่โทษแห่งความติดพันในโลกียสุขดอกหรือมันไม่ใช่ภัยในสังสารวัฏ ด, ดอกหรือแต่ในนิพพานไม่มีโทษเหล่านี้ไม่มีภัยเหล่านี้นิพพานเป็นโลกุตตรสุข